พระธรรมเทศนาลำดับที่ส0บโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าสัมมาคีคือพลังวันนี้เป็นวันที่ส1เอเมษายนพุทธศักราช2554ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่ไทย วันนี้เป็นวันที่11เอสิบสองสิบสามแต่ลุงพ่อเองก็เป็นห่วงลูกหลานกลัวจะเที่ยวเล่นออกนอกลู่นอกทางจนเกินไปสนุกสนานจนเกินไปกินเหล้าเมายายาบ่งยาบ้าคันชา ย, ยาฝิ่นใครคิดอะไรอะ ไ, ได้ได้อะ ก็ออกมาเสพมากินกันผลที่สุดกับผลออกมาก็คือไม่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทำให้เสียหายนี่แหละ ท, ที่เป็นห่วงการอยู่ด้วยกันหลายหลคนก็ต้องระมัดระวังทางบ้านเมืองเขาก็กำชับกำชับแล้วกำชับอีก มันก็สู้ตัวเองไม่ได้คนอื่นชี้โทษมันยังไม่เห็นโทษแต่ตัวเองเห็นโทษเมื่อไรเมื่อนั้นถึงใจแต่บางคนบางครั้งก็แก่ไม่ตกเสียแล้วเสียแข้งเสียขาเสียสมองเป็นบ้าโตโ ต, โตเต๋อเพราะเหตุไรเพราะความคึกขนองของตนเองไม่ได้คิดไม่ได้ วางแผนไปในอนาคตมีแต่เห็นแค่ความสนุกสนานเพลิดเพลินชั่วระยะสั้นๆแต่ระยะยาวเราไม่ได้มองนี่แหละหลวงพ่อเองที่เป็นหลวงปู่หลวงตาของพี่น้องในชุมชนหลวงพ่อก็อดคิดไม่ได้นานๆจะได้พูดกล่าวบอกกล่าวให้พ่อแม่ปู่ย่าตายาย ควรจะสั่งสอนลูกหลานของพวกเราให้รู้จักสำนึกแต่ทางรัฐบาลของเขาเขาขยพยายามเต็มที่พยายามจะให้คนมีอุปตุประสบอุบัติเหตุน้อยที่สุดตายน้อยที่สุดในช่วงสวงกรานในช่วงปีใหม่แต่และปีฟังๆแล้วก็ตัวตัวเลขออกมาก็ก็ไม่เป็นที่พึงปรารถนาเหมือนกัน ตายเป็นหลายร้อยเจ็บเป็นพันความเจ็บหายในการดื่มหรือการเสพสุรามินเมาฟังฟังดูแล้วความเสียหายแต่ละประเทศจะคิดออกมาในประเทศไทยอย่างเดียวเป็นหลายร้อยพันพันหมื่นล้านถ้ารวมกันทั้งหมดทั้งข่ารถข่าราทั้งความเสียหายทั้งขู่ทั้งคนแต่คนนี่สิตีราคาเท่าไหร่ สำหรับพวกเรานั่งอยู่นี่เอาหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินจะตีราคาเท่าไหร่โอ้โหลวงพ่ออินตีราคาตัวเองไม่ได้เ อ, าอ้าจะให้พันล้านจะฆ่าหลวงพ่ออินโอ้ยอย่างอย่างยังไม่ขายเพราะงั้ น, น, นสรุปแล้วก็คือราคาของคนมากแต่ละแต่ละชีวิตเพราะไม่มีอะไรที่จะรักชีวิตรักชีวิตของตัวเองยิ่งกว่ า, เ, าเงินคำทรัพสมบัติ ถึงจะมากมายขนาดไหนก็ยองสู้ชีวิตไม่ได้แต่หลวงพ่อเห็นที่เขาลงข่าวจริงจริงหรือเท็จยังไงก็ไม่รู้ที่เขาบอกโยมเขามาพูดให้ฟังบอกประเทศญี่ปุ่นเตาปฏิมากรปรามนูมันแตกเขาต้องสั่งล่าลูกเมียของเขาเพื่อจะเข้าไปทำหน้าที่จุดนั้นโอ้โหหลวงพ่อได้ยินแล้ว ไม่ใช่น้ำใจธรรมดาเมืองไทยของเราจะมีไหมอย่างนั้นคล้ายๆว่าจะต้องเข้าไปเสียงและเกินที่จะเข้าไปปิดปริตกรประมนูที่มันรั่วออกมาเนี่แหละอันนี้ก็คือเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติเพื่อคนอื่นเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากแต่ว่าจะทำยังไงจะทำให้ดีกว่านั้นมีไหม ก็คงจะไม่มีเขาจึงได้เสี่ยงขนาดนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งถ้าเขาบอกมีผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างนั้นประเทศชาติของเราก็คงจะมีความเจริญรุ่งเรืองแต่สิ่งไหนก็ตามที่มันจะมาเป็นอันตรายต่อประเทศชาติคนที่อยู่ในประเทศชาติจะต้องรักชาติเหมือนกับมแลมลงวดแดง พวกเราเห็นไมหมมดแดงหรือตัวตัวพึ่งตัวต่อถ้าเห็นอรีสตูเข้ามาเนี่ยมดแดงมันจะออกมายืนเรียงหน้ากระดานเลยแต่เมื่อกัดไปแล้วกัดคนไปแล้วเนี่ยกัดสัตว์ไปแล้วเนี่ยมันจะติดสัตว์ไปที่ไหนก็ไม่รู้อ่ามันจะติดมแมลงหรือติดตัวไหนไปที่ไหนก็ไม่รู้แปลว่าพัดภาคอยากหลังไปเลยเห็นไหมถ้ามันกัดคนเนี่ย กัดอยู่อย่างนั้นแหละคนจะหนี้ไปที่ไหน <fit> กัดจากวัดป่านาคำน้อยนึงไปถึงเมืองอุดรมดตอนนั้นก็ยังกัดเนีมันเสียสละชีวิตของมันเพื่อรังของมันจริงๆเออสัพสัตนะนี่แหละอันนี้ก็คือความเสียสละเพื่อประเทศชาติแต่ตามไม่จริงพวกเรามีปัญญามากกว่านั้นการที่เสียสละใ้เสียสละอย่างไร ประเทศชาติของเราจึงจะร่มเย็นเป็นสุขสรุปแล้วก็คือความพร้อมเพียงสามัคคีกันเนี่ยนะประเทศชาติจึงจะอยู่รอดได้แต่ถ้าว่าแตกแยกสามัคคีกันหาความผาสุกไม่ได้เมือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักมากเรื่องความพร้อมเพียงสามัคคีท่านบอกว่าสังฆะสังฆะโสภาความ ความพร้อมเพียงของสงหรือว่าความสมคีของหมู่คณะเกิดสุขความพร้อมเพียงสรุปแล้วก็คือจะได้จะเกิดความพร้อมเพียงขึ้นมาได้ต้องเสียสละไม่ใช่จะเอาใจาใจตัวเองพูดอะไรขึ้นมาหัวชนฟ้าเนี่ยฆ่าพูดถูกคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นถ้าจะพูดว่ามันถูกคนเดียวัน ไล่ขึ้นไปอยู่หลังภูกร่อนคนเดียวนะอย่ามัอย่าให้มัอยู่กับหมูถ้าอยู่กับหมูก็ต้องฟังเสียงหมูเสียงเพื่อนเขามีความเห็นอย่างไรเราต้องฟังเหตุฟังผลกันเบียดเบีย น, น, นตนและผู้อื่นไหมขนาดเป็นหมูก็เถอะเฮอว่าหมูเนี่ยหลายคนก็จริงอยู่แต่อาจจะเป็นหมู่โจรก็ได้อาจจะเป็นหมูนักเลงก็ได้อาจจะเป็นหมูขี้เหลาก็ได้การว่าหมูคํำนี้ก็คือเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์อีก ก็ต้องเอากฎหมายบ้านเมืองเอากฎหมายบ้านเมืองบ้านเมืองมาเป็นหลั ก, กนอกจากกฎหมายบ้านเมืองมาเป็นหลักเาเอาศีลและธรรมมาเป็นหลักอีกการทำเช่นนี้เป็นบานเป็นการเบียดเบียนตนและผู้อื่นไหมถ้าเขามาทำให้แก่เราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปทำให้แก่เขาเขามีความรู้สึกอย่างไรแต่ว่าการที่กระทำของเขาที่เราไม่พอใจนั้นามากน้อยแค่ไหน มันผกมันตุกมดถูกต้องอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้ปัญญาบวกลบคูณหารกันหมดไม่ใช่ว่าเห็นแต่เขาทำอย่างนั้นไม่ดีไม่ดีไม่ดีแต่พอตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นตัวเองทําแย่กว่าเขาอีกคนโบราณเขาบอกว่าพูดแต่เขาอีนเอาเป็นเองฮพูดให้แต่เขาอีนเอาเป็นเองพราเหตุไรพูดแต่ให้คนอื่นพอตัวเองมาเจอเข้าตันเองแล้วจริงแย่กว่าเขาอันนั้นใช้ไม่ได้ อันนหลักนี่แหละหลักทำคําสอนของขอ ง, ของพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนเลยอย่างศินห้าเนี่ยสินห้าพระพุทธศาสนาเนี่ยเรายกเป็นกระจกเงาขึ้นมาเลยเราไปฆ่าเขามีความรู้สึกอย่างไรเขามาฆ่าเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเราไปขโมยของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเขามาขโมยของเราเนี่ยว่าขโมยคํานี้ไม่ใช่ขโมยได้ขโมยเข็มนะ ขโมยรองเท้านะมันทํานองขโมยพ่อแม่ปู่ย่าตายามมยสามีภรรยาของเราไปเรียกค่าไถนะ่จัดข้อเป็นขโมยทั้งนั้นนะ่เขามาขโมยอย่างนั้นอนะเรามีความรู้สึกอย่างไรโอ้ทุกข์ใจมากฮนะถ้าเขาเราไปขโมยของเขาก็เช่นเดียวกันฮนะะขโมยกาเมสุมิ ช, ชัยจาราวรัมณีก็เหมือนกันข้อที่สามลูกหลานสามีภรรยาของใครของเขาเขาก็รัก ของเราก็ไม่แพ้กันกับของเขาเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันจะทําอะไรลงไปต้องคิดจะก่อนก่อนที่จะทําจะเดือดร้อนตนและผู้อื่นไหมนี่แหละศีลธรรมของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาศีลธรรมไม่ใช่อื่นไกลเหมือนกับกฎหมายนะกฎหมายคุ้มครองกับลักษณะนี้แต่กฎหมายนั้นจะหยาบกว่าศีลธรรมนั้นละเอียดกว่าออกมาจากด้านจิตใจกฎหมายเนี่ย คุ้มครองคุ้มครองคนวะถ้าหากว่าเขาไม่เห็นไม่เป็นมีไม่มีสกีพยานไม่มีพยานในการกระทำของเขากฎหมายเขาเอาผิดเขาไม่ได้ยืนยันหัวเด็ดตีนขาดเพาเขาไม่ได้ทำแต่ที่ตั้งที่เขาทำก็เอาผิดเขาไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าไม่มีสกีพยานไม่มีหลักฐานเอาผิดเขาไม่ได้เพราะไม่มีไม่มีหลักฐานคนไม่เห็น พิสูจน์ยังไงเออนเอยังไออองไอะไ ร, ไ, ไ, ไ, อองไรก็ไม่ได้ลายมือยังไงก็ไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานก็เอาผิดเขาไม่ได้แต่เราทำคาสอนนทำเนี่ยบาปกรรมเนี่ยละเอียดกว่านั้น อ, อท่านเปรียบเทียบ ว, ว่ า, ถ, าถ้าเราไปทําความผิดเนี่ยถึงใครจะไม่รู้ไม่รู้สักคนแต่เราไปทํามันผิดไหม หลักของพุทธศาสนาว่าผิดเพราะตัวเองไปทําความผิดเหมือนกับเราไปจับไฟในห้องอย่างนั้นนะใครรู้ไหมใครเห็นมไหมไม่มีใครเห็นแต่จับมันร้อนไหมร้อนเพราะอะไรเพราะมันเป็นไฟอะอันนี้ก็เหมือนกันความชั่วะถึงจะทําในที่ลับก็าตามที่แจ้งก็าตามในที่สาธารณะก็าตามอันนั้นคือความชั่วไม่ควรจะทำํำเพราะพระไต้ทาท่านตรัสอย่างนั้นถ้าหาว่าทําความดีก็เหมือนกับจับน้ําแข็ง อยู่ที่ไหนจับก็เย็นทั้งนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะมันเป็นน้ำแข็งอันนี้ก็คือคือคุณงามความดีถึงจะทำปิดทองหลังพระกลนพระก็เถอะอันนั้นก็คือคุณงามความดีถ้าผู้มีธรรมแล้วทำที่ไหนก็คือทำทำข้าวความดีเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะในหลวงพ่อเป็นห่วงเรื่องสงกรานที่จะถึงอีกวันสองวันแต่เป็นห่วงก็ไม่รู้จะทำยังไง เหมือนกับเราเอาเราเอาฝ่ามือไปปิดแม่น้ำโขงน้ำนองอย่างนั้นอ่ะแต่ถึงยังไงก็ยังปิดมีอยู่เม็ดสองสามเม็ดยังติดมือก็ยังดีถ้าไม่พูดเฉลยพระสงฆ์ผู้อยู่ในวัดในวาไม่พูดให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมเฉลยต่างคนก็ต่างเฉยเหมือนพระพุทธรูปเลยก็ยังไงอยู่ถ้าว่าพูดออกไปอาจจะดีกว่าพนันหลวงพ่อจังเล้ ในสถานที่ใดหลวงพ่อกันแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเออลูกหลานเนอะสิ่งนั้นชั่วสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําถ้าว่าทำไปแล้วมันเดือดร้อนตนและผู้อื่นอย่าทนะํานอลูกหลานสถาญาติโยมนอะถ้าว่าทำไปแล้วเออมีความร่มเย็นปลาสุกเออสิ่งนั้นเกิดประโยชน์ควรจะทําสิ่งนั้นพราะเราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะไม่ใช่อยู่คนเดียวเราจะไม่ฟังใครเสียเลยไม่ได้เราก็ต้องฟังหมู่ฟังเพื่อน การฟังหมูฟังเพื่อนนั้นก็จะไปเหมือนกับเป็นหมูแมลงวันเขียวอย่างนั้นเราต้องเป็นหมูแมลงพึ่งแมลงผู้ต้องมีเหตุต้องมีผลไม่ใช่ว่าหมูมากลากไปไม่ใช่อันนั้นแปลว่าหมูโง่ก็มีหมูฉลาดก็มีหมูปวกหมูมดก็มีเอหมูเทวบุตรเทวดาก็มีหมูเป็ดสัตว์นรกก็มีเราจะเป็นหมูกลุ่มไหนอันนี้เราต้องใช้ปัญญานะ ว่าไม่ใช่ว่าหมู่มากลากไปเห็นเขาไปก็ไปตามเขาอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นเสียนามัตรขี้การไม่ได้ไม่ได้เราต้องใช้ปัญญาทบทวนเอาศีลธรรมมาเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตวงกันกลองไตรตรองเหตุและผลเดือดร้อนตนและผู้อื่นไหมถ้าเราเป็นเดือดร้อนผู้อื่นหลาอย่าทำเนี่ยพราดในครั้งพระพุทธเจ้าเห็นไหมหมู่พระเทวทัตก็มีหมู่พระพุทธเจ้าก็มี พระพุทธเจ้า่าหมู่ของใครของเราเพราะนั้นพวกเราเด็เป็นหมู่อะไรเป็นหมู่ใครต้องอาศีนธรรมของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี่แนะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานพวกเราพี่น้องลูกหลานกำลังทยอยหรือว่าเลิกจากการงานขึ้นมา มากราบคารวะพ่อแม่อันนี้เป็นประเพณีที่ดีหลวงพ่อว่านะเพราะเหตุใดเพราะนานทีเราจะได้ขึ้นมาคารวะปีใหม่มาได้ขึ้นมาเอาสงกรานต์ขึ้นมาขึ้นมาเลิกงานขึ้นมาเสร็จแล้วก่กอนที่จะขึ้นมาเราก็เตรียมการเตรียมเงินเตรีย ม, ยมของที่มาฝากพ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่ของเราเราจะฝากอะไรกับท่าน เ, าเราจะ มีน้ำใจอะไรมาให้ท่านมาให้พ่อให้แม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่เนี่ยเราเป็นลูกลูกนี้นะลูกหนี้ไม่ใช่ลูกจังอื่นนะเราเป็นลูกหนี้ท่านตั้งแต่หัวตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้านะ่ะอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเราได้มาจากใครถามเลยสิเราจะมาได้ได้มาจากใครมาจากโรงงานใช่ไหมมาจากโครงไม้จอมปลวกใช่ไหม ได้มาจากพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเรามาแต่บัดนี้เราเอาก้อนหนี้ของท่านไปทําการทำงานไปทําการทำงานได้เท่าไรเราก็ควรจะมาทดแทนใช้หนี้พ่อแม่พ่อแม่มีความทุกข์ยากลำบากอย่างไรถ้าพ่อแม่ร่ารวยอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาเข้ามาถึงยังไงก็เราต้องมีของอยู่ของกินมาฝากท่านเราก็คงอยู่เคยอยู่กับท่าน อายุเท่าไหรแ่แล้วเราก็คงจะรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไรแต่ข้อสัมพันธ์พ่อแม่ชอบเล่าจะไปซื้อให้เท่านั้นอันนั้นไม่ไมถูกพ่อแม่ต้องชอบได้หลายอย่างเหมือนกันชอบเสื้อผ้าชอบอขนมหวานของอยู่ของกินลูกทั้งหลายดยุกยาแก้โรคภยัยไข้เจ็บมีเยอะแยะไปที่เราจะแทนแทนคุณของพ่อแม่จากนั้นก็มาถามพ่อแม่มีความเหลือร้อนอะไรสุขภาพเป็นยังไงในช่วงนี้ เท่าแกยชรามันแล้วไปหาหมอไหมทาฟันไหมใส่แว่นตาไหมเออจากน้อยก็พาไปตัดผงตัดผมเออตัดเสื้อผ้าให้เออดูที่หลับที่นอนให้พ่อแม่เป็นยังไงเออพ่อเราอยู่ใกล้ไอ้ผู้อยู่ใกล้นี่ก็นั่นน่ะเออเคยอยู่กับพ่อแม่มาแล้วก็เออผู้อยู่ใกล้ก็เปิดโอกาสให้ผู้อยู่ไกลเข้ามาดูแลพ่อแม่เนี่ยเพราะเป็นพ่อแม่ของทุกคน ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราเป็นชาวพุ ท, พทธมาม ก, กะลูกศิษย์พระพุทธเจ้ารู้จักพระคุณให้ล้ำลึกถึงพระ ค, คุณเยาวาบุพเพกาลีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนคือพ่อแม่ของพวกเราเนี่ยแหะเพราะนั้นพระองค์ว่าพวกเราทําถูกอย่างนี้นะมีแต่ความเจริญนะลูกหลานศรัทธาญาติโยมในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามีเป็น มีพ่อเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกลูกเขาก็ต้องดูตัวอย่างพวกเราดูตัวอย่างพ่อแม่เคยพาไปปฏิบัติปู่ย่าตายายพ่อแม่อย่างไรลูกของเรากนถือเป็นตัวอย่างจากนั้นก็เมื่อเขาใหญ่ขึ้นมาเขาก็ดูแลปนิบัติพ่อแม่โดยไม่สะทกไม่สะทานไม่กระด้างกระเดืองทำด้วยความเต็มใจเพราะเห็นเพราะพ่อแม่เคยพาทำมาแล้ว แต่ถ้าว่าพ่อแม่ใครก็ตามนะเ อ, อบ่นให้ลูกฟังพ่อเป็นยงงางั้นแม่เป็นยงงางั้นรักคนนั้นรักคนนี้หมารักพคร อ, อบครัวของเราเ อ, อแบ่งอะไรก็ให้แต่คนนั้นคนนี้บ่นให้ลูกฟัง อ, อไม่ไปหาพ่อหาแม่อีกต่างหากนี่แหละกรรมตัวนั้นะ่อนนนะออมันจะตามสนองเราในอนาคตพอเขาใหญ่ขึ้นมาเขาก็นินทาพ่อแม่ของเขาให้ลูกเขาฟังอีก กรร ม, มโยนิกรร ม, มพันธุกรมมรมปฏิสารโนเลยกรรมอิรานพันตั้งไปเรื่อยชั่วลูกชั่วหลานชั่วเลนเนะพราะนั้นพวกเราได้ศึกษาพระพุทธศาสนามาถึงเราแล้วพวกเราควรจะทำคุณงามความดีให้ลูกหลานของเราดูอยากจะให้ลูกหลานดีต้องทำดีให้ลูกหลานดูถ้าว่าไปทำความชั่วให้ลูกหลานดูเขาก็ยึดเอาเป็นแนวความชั่วเหมือนกันนะ เพราะนั้นขอให้พวกเราเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ให้แก่เขา เ, เมื่อเราเป็นปู่เป็นตาของเขา เ, เมื่อโงกลานมาแล้วเนี่ยไปหากินเหล้าเมายาให้ลูกให้หลานเขาเห็นผลในสุดอ้อแ่่อะไรก็ไม่รู้ขึ้นบ้านก็ไม่ถูกผลที่สุดทำยังไงลูกหลานจะไปเคารพคารวะก็ไม่รู้จะไปยังไงเพราะปู่พ่อตาย่ายายกินเหล้าเมายา ใครๆก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้อีกขยะขยแยงหน้าอายคนอีกต่างหากเราต้องมองตนเองนะผู้เท่าผู้แก่นะจะหาแต่ว่าลูกหลานไม่เคารพเราก็ไม่ได้พอเราทําตัวไม่ดีถ้าเราทําตัวดีแล้วน่ะลูกหลานก็ต้องเคารพเราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามถ้าทันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแนะนําสั่งสอนลูกหลานพระเนนพระเนนก็ให้ความเคารพรักเคารพรับถือแต่พระ ครูบาอาจารย์องค์ไหนก็เถอะทำตัวไม่ดีมันเป็นที่ไม่เป็นที่ยอมรับไม่เป็นที่รักเคารพเขาจะรักเคารพได้อย่างไรนี่ก็เหมือนกันน่ทุกแห่งทุกขนทุกมกทุกวงการเมื่อเป็นเจ้านายของเขาเป็นตัวอย่างของเขารักเขารักลูกน้องแล้วก็สอนลูกน้องเป็นตัวอย่างให้เขาดูลูกน้องก็เกงเคารพยำเกรงเพราะอะไรเพราะเจ้านายเป็นตัวอย่างให้เขา นี่แหละมนันทุกวงการขราราชการทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่าถึงหัวหน้าครอบครัวอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะหัวหน้าครอบครัวพ่อแม่ก็ทำตัวอย่างให้ลูกดูอยากจะให้ลูกดีทำดีให้ลูกดูอยากจะให้ลูกสิทธิ์ดีก็ทำดีให้ลูกสิทธิ์ดูอยากจะให้ลูกน้องดีก็ทำดีให้ลูกน้องดูมันมีทุกอย่างนั่นะหอไม่ใช่ว่าตัวเองทำ โชดช่ชาเสียหายแล้วอยากจะให้คนอื่นทําดีมันจะทําดีได้อย่างไรแต่ขณะตัวเองยังทําดีไม่ได้สิ่งเหล่านี้ธรรมธรรมะคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านเห็นโอปัญิโกนะพวกเราท่านทั้งหลายคณะจัตตาญายาจโยนะให้มองตนเองเนี่ยข้าพเจ้าเหมาะสมไหมยอยู่ในสถานนีสถานะอย่างนี้ถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมเป็นที่ตําหนิงของคนไหมเราต้องมองตนเอง ถามองตอนเองทำตัวให้เป็นพระที่ดีอาจารย์ที่ดีคนที่ดีพ่อแม่ที่ดีลูกที่ดีโลกทั้งโลกก็ล่มเย็นเป็นสุกท่วนหน้าพอไม่ออกนอกลูกนอกทางแต่ถ้าว่าเราทำผิดที่ผิดทางแล้วเป็นทุกข์นะเดือดร้อนวุ่นวายแต่ทึ้งยังไงให้คิดไว้ในใจเสมอคิดยังไงวันชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่รู้จะล้มหายตายจากวันไหน อันนี้ไม่ใช่เอาคำความตายมาขู่กันนะ เ, เตือนเอาไวา้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่รู้ว่าพวกเราจะตายวันไหนพวกเรามีไหมมีใครไหมบอกไปไหมไม่มีว่าใครจะตายวันไหนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงวันนั้นะพพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะสิ่งให้เกิดนั่นก็คือใจคือวิญญาณที่พวกเราว่าตายแล้วเป็นผีนะนะั่นแหะ ว่าผีนั่นแะคือวิญญาณออกจากร่างไปแล้วแต่ร่างกายเนี่ยจะกลัวทำไมเอาไปเผาไฟทิ้งล่ะมีแต่กระดูกน่อยู่ในเมนอยู่ในที่เผาศพนั่นแ่ะแต่ว่านามธรํมคือใจที่ออกจากร่างนั้นไปนั่นหละเป็นเปนเป็นผีตัวนั้นล่ละพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆหลักของพุทธศาสนาท่านไม่ได้ปฏิเสธ น, นว่าผีไม่มีมันมีมันไปนานับประการเรื่องของวิญญาณไปได้ทั้งนั้น อแต่บางคนเอาทําไมวิญญาณชัดเจ๊ะทําไมตายแล้วมันมันทําไมเราจึงไม่เห็นเห็นเป็นบางครั้งบางคนบางคราวเห็นแต่เป็นบางคนเท่านั้นเองอันนี้เหมือนกับวิทยุมันหลายคลื่นเหมืนกันเนอ่ยจนนับไม่ได้ว่ามีมีกี่คลื่นเหมือนกันเถอะแต่นี้นถ้าว่าคลื่นไหนมันเจอกับเราเราก็เห็นมันได้แต่ถ้าว่าคลื่นวิทยุ มันคนละคืนกันมันกระจูนเข้ากันไม่ได้ใช่ไหม fmam อะไรคืนวิทยุยังมีน้อยนะคืนวิญญาณของมนุษย์ของสัพสัตทั้งหลายเนี่ยมากกว่านั้นอีกเครื่องคอมพิวเตอร์จะบันทึกเข้าไปเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์มนุษย์เนี่ยไม่ได้หรอกต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของเทพว่าไงเถอะท้องเทพของของยมของยมมทูตเคอคอมพิวเตอร์ของยมมทูตเนี่ย สัพพสัตทั้งหลายในโลกเนี่ยเขากดวันคืนเดือนปีเข้าไปนั้นไหลออกมาหมดนะใครทำดีทำชั่วทุกอย่างนี่แหละขอให้พวกเราทุกทกท่านนะสิ่งที่มันไม่สิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญให้นั่งภาวนาถ้าพวกเรานั่งภาวนาจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้ว พวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่เออเหมือนกับรถกับคนกับรถอย่างที่หลวงพ่อเปรียบเทียบเหมือนกับ น, น้ำกับ น, น้ำมันอย่างนั้นเออมันคนละอย่างกันเออมันเห็นได้ชัดในขณะที่จิตสงบดวงวิญญาณและใจตรงนั้นอ่ะจะไปที่ไหนถ้าว่าใจทำความชั่วนะกรรมชั่วทั้งหลายน่ะจะตามจะพาไปถ้าใครทำกรรมดี บุญกุศลจะพาไปสู่สุขติเพราะนั้นพวกเราให้คิดไปอยู่เสมอถึงจะทำทามาค้าขายทำมาหาเลี้ยงชีพจูเย็นเป็นสุขขนาดไหนก็เถอะมันไม่มันไม่เป็นสุขนะเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยหลวงพ่อนะอายุจะเข้าหกสิบเจ็ดปีแล้วนะวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเนี้ยลูกหลานทั้งหลายนะอันนี้บอกกล่าวเอาไว้ หลุงพ่อไม่เคยจัดงานนะงานวันเกิดหลุงพ่อไม่เคยไม่เคยใช้บัตรเชิญไม่เคยนิมนต์พระเอ อ, อยู่เฉยๆอย่างนี้แหละแต่ลูกหลานจําวันได้ก็เอามาทามาแล้วจะทํำยังไง อ, อคนมาเยอะๆจะ เ, เอาน้ําให้ดื่มอย่างเดียวคงไม่ไหวเหมือนกันหลุงพ่อก็จะต้องเอ้าตั้งลงทงลงทานเน้อศรัทธาญาติโยมเลี้ยงแขกเลี้ยงคนเน้อ ช, ช่วยกันดูกันเน้เ อ, อลุงพ่อก็ต้องบอก แต่หลักคำคาสอนของพระพุทธเจ้ามีไหมมีท่านบอกว่ า, าถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามไม่มาสู่อาวาสขอให้มาถ้ามาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขท่านไม่ให้ปิดประตูนะถ้าพระสงฆ์จัทายาโยมถ้าไม่มาสู่อาวาสถ้ายังไม่มาสู่วัดป่ า, าคำน้อยของเราให้มาขอเชิญเข้ามาได้เปิดเข้ามาได้ ถ้ามาแล้วเห็นแล้วเวลากลับไปเขาขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขหน้านี่แหละพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ปิดรั้วประตูพร้อมที่จะเปิดรับได้ทุกคนถ้ามาดีเป็นเสียจะมาไม่ดีถ้าใครมาจะมาดามา่าลุงพ่นมาแ้จะด่าเอาด่าเอาลวงพ่อก็จะปิดประตูเหมือนกันแต่ว่ามาดีก็ต้องรับอันนี้ทุกคนก็มาดีเมื่อมาดี พวกเราเป็นญาติเป็นโยมก็ช่วยช่วยกันต้อนรับคับสู้เนี่ยนะอันนี้ก็คือคุณงามความดีเหมือนกันเป็นการสั่งสมบุญกุศลด้วยกันเพราะฉะนั้นขอให้คณะทายาทโยมทุกๆคนนะให้สํานึกอย่างที่หลวงพ่อพูดนะั้นนหะตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้การส่อแสวงหาทรัพย์เงินคำทรัพย์สมบัติอันนั้นก็เราก็ไม่ได้ประมาทเราก็ต้องหาเฮอ กีดจงกีจยังทำลงทำไร่ทำมาหาเลี้ยงชีพอันนั้นเ ล, เลี้ยงร่างกายเลี้ยงร่างกายของตอนเองเ <ng> งินคําทรัพย์สมบัติปัจจัย4ี่นเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงร่างกายเนี่ดีขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงเท่าไรก็ยิ่งแก่แก่ไปเรื่อยเจ็บแล้วก็ตายในที่สุดนี่แหละพระพุทธเจ้าส่าถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่ถึงจุดจบ เพราะนั้นเลี้ยงพอประมาณก็พอแล้วออควรจะองหาอาหารเข้าสู่จิตใจอาหารกายอาหารใจอาหารกายก็คือนี่แหละข่าวน้าโภชนาอาหารปัจจัยศีเลี้ยงร่างกายส่วนอาหารใจนี่คือธรรมศีลธรร ม, รรมความถูกต้องความเป็นธรรมออนั่งภาวนาไหวา้พระสวดมนต์เคารพ บ, บิดามารดาครูบาอาจารย์ให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนให้มีศีลมีธรรมนี่แหละ อันนี้คืออาหารทางใจทั้งหมดแต่อาหารทางกายกันเนออย่างพวกเรา ท, ทานอาหารเนี่ยอยู่ในบาตคิดดูซิมันมีกี่อย่างอาหารทางใจก็เหมือนกันนะั่นอ่ะมีมากเหมือนกันถ้าอาหารเข้าสู่จิตใจมากอาหารน่่งกายก็มีอาหารใจก็มีต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเท่าเมื่อเท่าแก่ชราถึงจุดจบแล้วเดี๋ยเอไปแล้วคราวเนี่ย พราะอายุหมดแล้วมากแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วตายแล้วเราก็หลับตาพิ้วและลึกถึงคุณงามความดีของเราที่ได้สั่งสมมาบุญกุศลเหล่านั้นก็จะวิ่งโป้ตปาดเข้ามาประคับประคองจิตใจของเราไปสู่สุขติไนงะแต่ถ้าเราไม่ได้ทําคุณงามความดีอะไรเลยนะพอจะตายเข้ามาน่ยลึกถึงบุญก็ไม่เคยทําเออะไรก็ไม่เคยทําเพราะไม่เชื่อมาก่อนจะทำยังไงเถอะเขาว่าโอ้ลงลง ป้าถ้าเป็นอย่างนี้ไปการาบขี่ม้าเนี่ยหายใ น, นโลกเนี่ยไปการาบขี่ม้าพราะเขาบอกฮะเขาให้กินขี่ม้านะ่ยหายใ น, นโลกเนี่ยไปกินขี่มาพนี่ยเพระเพรา ะ, ะรกลัวตายถึงจะกินขี่ม้าไปการาบขี่ม้าก็มันไม่หายทางนั้นนะตายแต่คนมีหลั ก, กจิตหลักใจแล้วได้ศึกษาธรรมนะแหะโอ้ยอย่ามาโกโหกข้าถึงยังไงยังไงข้าก็รักษาตามอัตภาพทาไม่ไหวจริงๆข้าก็ต้องตายข้าจะอยู่โชวฟ้าดินสลายได้อย่างไงนี่แหละ คนมีธรรมในจิตใจมันจะเข้มแข็งกว่ากันนะแต่ว่าคนทีม่มีไม่มีหลักจิตหลักใจแล้วเขาแนะอะไรก็ทำทั้งหมดไปดูหมอดูมอดูเทพระเจ้าเราเทว่าผิดผีตรงนั้นผิดผีตรงนี้ผิดปิดกรรมตรงนั้นผิดกรรมตัว น, รรนี้เขาบอกอะไรเชื่อบดเพราะอะไรเพราะใจไม่มีหลักเพราะนั้นพวกเราให้หาหลักตั้งแต่บัดนี้หาคุณงามความดีเข้าสู่ใจตั้งแต่บัดนี้ ถ้าพวกเรามีหลักจิตหลักใจมีศีลธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วเข้มแข็งน ะ, ะจิตใจเข้มแข็งนะสัตยาญา่าดโยมลูกหลานทุกคนนะวันนี้หลวงพ่อเองได้ให้แนวความคิดมากลากลายอย่างพอจวนจะถึงสงกรานมีหลายเรื่องที่หลวงพ่อได้พูดในวันนี้ก็ขอให้พวกเรานําไปคิดนําไปพิจารณาไตรตรองดูซิว่าหลวงพ่อพูดนี่เป็นแนว ทางปฏิบัติได้ไหมไม่ใช่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไปเรื่อยไม่ใช่นะ ถ, ถ้าทำอย่างนั้นหลวงตามหาบัวท่านว่าเหมือนสรดน้ำใส่หลังหมาพอสรดน้ำใส่หลังหมาพอผ่านไปมันสะบัดน้ำตุดออกหมดเพราะนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้น เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้อยู่ในจิตในใจนำไปคิดนำไปพิจารณาไตรตรองเหตุและผลจากนั้นก็ปรับปรุงกายวาจาใจของเราต่อไปกัใจของเราก็มีอาหารเข้าสู่จิตใจเรื่อยเรื่อยเรื่่างกายเราก็ไม่ได้ประมาทเราก็สสแสวงหาทรัพย์แต่ส่วนจิตใจของเราก็มีอริยทรัพย์เข้าสู่จิตใจเราอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าคนมีธรรมในใจ อต่อนนี้ไปรับพร อ, อนุมโมทนาให้พ่อน